จริงอย่างนั้นกุลบุตรนั้นอ่านภาษารแปลว่าอ่านจดหมายแล้วก็ขึ้นปราศาสอันประเสริฐนั่นเทียวยังอาณาปานะจตุทชาญให้เกิดขึ้นแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกจนได้ฌานสี่หลังจากนั้นก็ได้เดินทางตลอด192ยโยตยังกิจในายานให้สำเร็จ แม้สมัมานเณรศีลของกุลบุตรนั้นก็บริบูรณ์ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสปุพภภาคปฏิปทาแต่ทรงปรารบเพื่อจะบอกวิปัสสนาลักษณะอันมีความว่างเปล่าเป็นอย่างยิ่งคือลักษณะของวิปัสสนา ก, ก็คือสุญญตาใช่ไหมคือความว่างเปล่าไอ้คำว่าว่างในที่นี้เนี่ยหม้อว่างนี่มีหม้อไหมนี่เป็นต้นไอ้คาว่าว่างก็คือมีแต่สังขารธรรมเท่านั้นเองอนะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตานั่น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 เป็นคำที่ไม่มีโดยประมาทตส่วนธาตุหกนี่มีอยู่โดยประมาทตเนี่ยนะความจริงแล้วคำว่าบุรุษนี่ต้องอาศัยธาตุหกประชุมกันใช่จึงจะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าบุรุษก็เหมือนกับว่านายกานายขอเป็นต้นเนี่ยนะก็เมื่อธาตุหกประชุมกันแล้วจึงจะเรียกชื่อเรียกโวหารได้ชันใดนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าไม่แสดงว่าบุรุษบุคคล น, นี่มีธาตุหกนะ ท่าถกมันจะอยู่ที่ไหนเนาะฟังแล้ววุ่นวายไปหมดเลยมันก็เลยพูดทั้งบัญญัติปรมัดควบคู่กันไปทีนี้หลักการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เรียกว่าวิชามานะบัญญัติวิชามาเนนะอวิชามานะบัญญัติเป็นต้นเนี่ยซึ่งจะขข้อให้ดูอย่างนี้เนี่ยนะอวิชามาเนนะวิชามานะบัญญัติ นนะวิชามานีนะข้อ่ก่อนนะข้อ่อวิชามานนะอวิชามานะบัญญัติข้อสก็อวิชามานนะวิชามานะบัญญัติแล้วก็สก็วิชามานนะวิชามานะบัญญัติ แล้วก็ อ, ว, าาอวิชามานนะอวิชามานะบัญญัติคําว่าวิชาเนี่ยน ะ, ะคิดง่ายๆว่าคําว่าวิชาเนี่ยแปลหมายถึงว่ามีโดยประมาติวิชาตัวนี้หมายถึงประมาตนั่นเองแปลว่ามีอยู่โดยประมาติส่วนอวิชชาเนี่ยหมายถึงบัญญัติอย่างข้อแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหน ไอ้คำ ว, ว่าสิ่งที่ไม่มีตัวนี้ก็คืออวิชามาเนนะใช่ไหสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะด้วยสิ่งที่มีเนี่ยหมายถึงว่ า, าวิชามาเนนะอวิชามานะบัญญัติอันนี้ข้อแรกก่อนนะสังเกตด้วยสแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหนอันนี้หมายถึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าสแสดงสิ่งที่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีในที่ไหนนะบันทึกตามในหนังสือเนี่ยจะมีนะอันนี้เเป็นบาลีนะ ในหน้าสามสามหกเนี่ยเห็นไหมส่งแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหนอันนี้โน้ตไว้ว่าหนึ่งสามหหเนี่ยนะเห็นไหมข้างล่างชาทาตูโรเนี่ยหนึ่งแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหนสองแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีในที่ไหนก็โน้ตหนึ่งสองสามไปเองกันนะแล้วก็จะ ง, ง่ายเองเขียนเองกันนะ แสดงสิ่งที่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีในที่ไหนนี้เป็นข้อที่สมข้อสี่ก็แสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีในที่ไหนแล้วเขบอกว่าถ้าจะดูรายละเอียดก็ไปดูเอาในสัพพาสวะสังวรสูตรก็ไปดูเล่ม17เอาก็แล้วกันแต่ตรงนี้จะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างมันมีที่ไหนสี่ครั้งใช่ไหมที่ไหนอยู่สี่ครั้งนั้นที่ไหนอันแรกก็คือเนี่ยวิชามาเนนะอวิชามานะบัญญัติแปลว่าแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มี สิ่งที่ไม่มีใช่ไหมเขาตาลีเขาแปลข้างหลังก่อนแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีเช่นอะไรเช่นผู้มีวิชาสา3ผู้มีวิ ช, ชาสามเป็นต้นเนี่ยหรือผู้มีอภิญญาหเห็นะผู้มีวิชาสา3นผู้มีอภิญญาหอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างก็เรียกอุทาหรณ์ตัวอย่างว่าแสดงสิ่งที่ไม่ สิ่งที่มีสแสดงผู้มีเนี่ยน ะ, ะผู้ในที่นี้เนี่ยผู้ก็หมายถึงบุคคลใช่วิชาสมมีอยู่จริงผู้มีอภินยาหเนี่ยผู้มีเนี่ยผู้เนี่ยไม่มีอยู่จริงโดยประมภะแต่อภินยาหมีอยู่จริงเนี่ยนะเรียกว่าสแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่มีคืออาศัยวิชาสามว่าเป็นที่ตั้งแห่งบัญญตัติว่าผู้ใดมีวิชาสามพวกนั้นเรียกว่าเตวิชโช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 อิทธิภาวะเนี่ยมีมมีมีอยู่จริงโดยประมัดจิตนี่ก็มีอยู่โดยประมัดใช่แต่บุรุษเนี่ยไม่มีอยู่โดยประมัดเพราะฉะนั้นแสดงสิ่งที่มีคือรูปหญิงเนี่นははยนะ ร, รูปหญิงเนี่ยมีอยู่จริงใช่ไหมคำว่ารูปเนี่ยมีอยู่จริงอิทธิภาวะก็มีอยู่จริงรูปหญิงเนี่ยสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็แสดงด้วยสิ่งที่ไม่เอ่อกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงคือบุรุษ ผู้ชายนี่ไม่มีอยู่จริงโดยประมัดเพราะฉะนั้นรูปของหญิงเนี่ยนะรูปหญิงเนี่ยครอบงามจิตของบุรุษตั้งอยู่เป็นการแสดงสิ่งที่มีอยู่จริงแสดงสิ่งที่มีอยู่โดยสิ่งที่ไม่มีนี่เป็นข้อ2นะข้อ3เช่นแสดงสิ่งที่มีอยู่โดยสิ่งที่มีอยู่เช่นอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณเนี่ยนะท่าน อันนีอ้อาศัยจากสุกับรูปจากสุกกับรูปก็มีอยู่จริงใช่ไหมโดยสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือจกักขูวิญญาณก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอันนี้เรียกว่าประมัด ล, ล้วนเลยนนไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นเลยส่วนสุดท้ายเนี่ยนะอวิชชามาเนนะอวิชชามานบัญญัติหมายถึงว่าแสดงสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีราชกุมารพระองค์หนึ่งอนนอยู่ร่วมกับนางพราหมณ์ ราชกุมารเนี่ยแปลว่าไปแต่งงานกับนางพรามอันนี้ไม่มีพูดสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีนะพูดสิ่งที่ไม่มีด้วยสิ่งไม่มีไม่มีทั้งคู่เลยเนี่ยนะราชกุมารเนี่ยไม่มีอันนี้นี่นจะต้องลืมว่าพูดแบบปรมัจา์กับบัญญัตินี่นะไอ้คำว่าไม่มีในที่นี้แปลว่าไม่มีอยู่โดยสภาวะนะแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่านี่ชั้นสภาวะของราชกุมารนะ อันนี้เป็นตัวอย่างว่าราชกุมารอยู่ร่วมกับนางพราหมนะ น, น, นางพรามเนี่ยเรียกว่าบ ร, รัมณกัญญาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าฉันเป็นมณฑพรามนะมีอะไรเป็นรหัสเตือนหรือเปล่าท่านก็เลยพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่โดยประมัดเนี่ยนะอย่างในสูตรนี้เนี่ยนะบอกว่าบุรุษบุคคลเนี่ยมีธาตุหกบุรุษบุคคลเ น, นี่ยมีอยู่จริงไหม เป็นอวิชามาเนณนะใช่ไหมเป็นอวิชามานะเนี่ยนะแปลว่าไม่มีอยู่จริงธาตุหมีเพรา ะ, ะนั้นบุรุษบุคคล น, นี่เป็นบัญญัติธาตุหกนี่เป็นประมัติแต่ถ้าไม่พูดอย่างนี้ขึ้นต้นด้วยธาตุหกเลยเนี่ยเราจะไปนึกที่ไหนเราจะนึกที่ไหนาธาตุหกปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุมันไม่ไม่ได้กเกื้อกูลต่อการไปปฏิบัติอะไรเลย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 อันนี้แปลว่าเป็นไวยากรณ์น่นะว่าโดยสิ่งที่มีอยู่มาเนนะกับมาณะเนี่ยนะก็เณนะตะติยาวิพัฒน์ก็คือมาณะกับถ้าใส่วิพัฒน์ลงไปก็เป็นเณนะเพื่นพระองค์นี้แสดงทั้งบัญญัติและปรัมัติควบคู่กันไปสิ่งที่พูดเนี่ยมีอยู่เท่านี้แหละทั้งหมดนะแต่ว่าหลักการเขามีแบบนี้ ให้รู้หลักการแบบกว้างๆว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนทั้งสประการเลยทั้งสิ่งที่มีไม่มีอยู่โดแสดงแบบทั้งมีอยู่ไม่มีอยู่เน uh ี่ยแสดงควบคู่แปลว่าทั้งบัญญัติล้วนๆก็มีอย่างข้อนี้ก็คือบัญญัติควบคู่กับประมัดใช่ไหมอันนี้ก็บัญญัติควบคู่กับประมัดอีกแล้วแต่จะเอาอะไรขึ้นก่อนนะบัญญัติก่อนประมัดก่อนหรือประมัดก่อนบัญญัติก่อนก็เหมือนกัน ส่วนอันนี้ก็หมายถึงประมัดล้วนๆเลยวิชามานีนะวิชามานะบัญญัติส่วนอวิชามานีนะอวิชามานะบัญญัติอันนี้เป็นบัญญัติล้วนๆเลยพระองค์ก็สอนทั้งหมดก็ดังกล่าวว่าวัตถุประสงค์การสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าบรรลุมรรคผลไม่ได้มุ่งจะบอกว่าชั้นนี่เป็นกลุ่มประมัดชั้นนี่กลุ่มบัญญัติไม่ได้ต้องการอย่างนั้นต้องการว่าเมื่อสื่ออย่างนี้ไปแล้วบรรลุมรรคผลได้ไหมเท่านั้นเอง ตรงนี้เนี่ยนะท่านแยกให้ดูก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาแสดงธรรมก็ไม่ได้ละเลยบัญญัติเนี<ม>่ยนะไม่ได้ละเลยบัญญัติอะไรซึ่งก็พูดทั้งบัญญัติกับปรมาทัตน์ควบคู่กันไปเพราะจุดประสงค์จริงๆในระดับสูงต้องการสอนปรมัตน์<ม>เพราะว่าบัญญัติลว้วนๆเฉยๆเนี่ยนะเพราะบัญญัติเนี่ยส่งข้อลงอริยศาสตร์ได้ไหมไความจริงสัตว์เนี่ยมีอยู่ สัตว์และดับสัตว์อย่างเงี้ยนะพูดอย่างนี้ได้ไหมเป็นมิจฉาทิถีทันที<ม>คืออย่างอย่างที่บอกว่าสมมุติถ้าพูดคํานี้นะสองคำคำนี้ว่าสัตว์มีอยู่ความดับสัตว์ก็มีอยู่เนี่ยนะนะอะไรจะเกิดขึ้นนะสัตว์มีอยู่และความดับสัตว์ก็บอกว่าคําว่าทุกมีอยู่ กับความดับทุกเนี่ยนะมัน ก, มนก็มันก็แตกต่างกันล่ะสัตว์นี้จริงๆก็เป็นถ้าถ้าเป็นสัตว์ปั๊บเนี่ยจะเข้ารัฐที่อัตตาทันทีเลยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ไม่วิเคราะห์อะไรเนี่ยถ้าเป็นอัตตานี่มีอยู่เพราะนั้นปฏิบัติเพื่อดับอัตตากับทุกข์มีอยู่กับปฏิบัติเพื่อดับทุกเนี่ยนะเพราะถ้าคำว่าสัตว์ปั๊บเนี่ย จะนึกไปถึงทุกขสัตจะอนีมัหมถ้าใช้คำว่าสัตนะจะไม่นึกไปหาทุกขสัตจะแต่ทุกขสัตจะนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นเป็นสัตว์ส่วนความดับทุกอันนี้หมายถึงนิโรสัตจะนั้นก็ถ้าจะแสดงแต่บัญญัติล้วนๆไปเลยก็ผู้ฟังก็ไม่แน่ว่าจะเข้าใจดังที่ประสงค์หรือเปล่านะก็เลยแสดง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 ทุกมีอยู่สัตว์ไม่มีผู้สวยทุกก็ไม่มีอันนี้เอาแบบสูงสุดไปเลยนะคือสัตว์โลกเนี่ยมันยุ่งจริงๆอะนะมันต้องใช้คําให้มันถูกถูกเจติตถูกใจเขาอะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจะเยอะเดี๋ยวเขาจะเสียหายอี ก, ก น, นะนี่ในเหตุผลอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงสิ่งที่มีด้วยสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ ม, มีหมายถึงประมัติอะนะ โดยอาศัยสิ่งที่ไม่มีคือบัญญัติจึงตรัสอย่างนั้นก็ท่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสละบัญญัติว่าบุรุษตรัสว่าธาตุเท่านั้นแล้ววางพระหฤทัยกุลบุตรก็จะเพ่งทําความสนเท่ถึงความงงงวยไม่อาจเพื่อรับเทศนาได้ถ้าขึ้นต้นนะโ อ, อธาตุหกเนี่ยปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุเขาจะนึกไปที่ไหนนะเอออะไรว่าธาตุหปัทวีธาตุอาจจะนึกถึงดินใช่ไหมที่ไหนก็ไม่รู้ อาโปธาตนึกถึงน้ำทะเลเลยวายโอธาตนึกถึงพายุเตโชธาต์หมายนึกถึงไฟลุกเพิ่มเิที่ไหนก็ไม่รู้อากาศธาตนโนนดูท้องฟ้าเอ้วิญญาณธาตมันลอยไปอยู่ตรงไหนกันี้ถ้าขึ้นต้นเฉยๆโดยที่ไม่กล่าวว่าบุรุษ บ, บุคคลมีธาตุหกเนี่ยนะถามว่าผู้ฟังนึกไปที่ไหนก็นึกเรื่องตัวทั้งหมดเลย แต่บอกว่าบุรุษบุคคลมีธาตุหปพับเนี่ยเออในร่างกายของบุรุษเนี่ยนะถ้าแยกไปเป็นสภาวะแล้วได้ธาตุหกประการคนเราเนี่ยนะมันมีธาตุหกนะมันจะนึกภายในนะแล้วค่อยๆแยกสิ่งที่มีอยู่ในภายในว่าประกอบไปด้วยปฐวีธาตุเตอาโปธาเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุดังดูข้อความที่เป็นพุทธพจน์นะว่าถ้าไม่แสดงอย่างนี้เนี่ยผู้ฟังเขาจะงง สนเท่ก็แปลว่างงอ่ะ น, นีสงสัยงงงวยไม่อาจจะรับเทศนาได้สรุปพระองค์ประสงค์จัมประกาศอริยสัจก็เลยไม่เป็นอันรู้อริยสัจกันละเนี่ยนะหมดแต่งงอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงทรงละบัญญัติว่าบุรุษโดยลําดับสักว่าบัญญัติเนี่ยนะว่าสัตว์หรือบุรุษบุคคลเท่านั้นคือคือค่อยๆแสดงเพื่อให้ค่อยคอย่ละทีละขั้นทีละขั้นไปใช่ไหมตอนแรกแสดงว่าเป็นสาก่อน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 หรือขันหหรืออายตนะ12ภาคส8อะไรก็ว่าไป